รือแจ้ ง, ง, จงเห็นจริงตามขวนจริงและปัญญาอีกสนิตหนึ่งนั้นรู้แล้วหลงลืมจดจาไม่ได้นั้นเดียวกเป็นปัญญาของะวิท่าเป็นปัญญาของขวมไม่แน่นอนหรือเป็นปัญญาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้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 ยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังให้รู้สิตัวมีจังหวะทำเรื่องอิเลียบทย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดตัวให้รู้สิตัวแต่ไม่ให้นั่งนิ่งวิธีนี้อันนั่งนิ่ไม่นั่งเรียกว่าสงบควรสงบก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันปัญญานี่ตั่วมีอยู่สองอย่างปัญญาที่รู้แล้ว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 เรียกว่าเป็นอุปสรรคมันติดคมคิดมันออกจากคมคิดไม่ได้ไม่ใช่เห็นคิดอนี่มันรู้คิดเรียกปัญญารู้คิดไม่ใช่เป็นปัญญาเห็นคิดอันนี้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะมันเข้าไปในคมคิดมันปุงแต่งขึ้นมา นั่นเรียกว่าพอใจในอารมณ์เรียวาอารมณ์ดีเราพอใจอารมณ์ไม่ดีเราไม่พอใจไม่ชอบดีอย่างนั้นวิธีที่จะแฝ้มันต้องทําจังหวะให้แรงทิศซ้ายทิศขวาทิศมือข้อมือเอียงซ้ายเอียงขวาอ้มมอมงอทิศตาอ้าปาแก้ใจจังดูไม่ได้ พอดีมันคิดขึ้นมาเราทำจังหวะกรมืเอเหยียดมือขึ้นมาหลายครั้งหลายผลเมื่อรู้สึกแล้วความคิดมันหยุดเมื่อรู้สึกแล้วความคิดมันหยุดเมื่อไม่รู้สึกหรือรู้สึกเลน้อยควมคิดมันลากไปจยงาทำให้แหลกเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันหยุดได้เมื่อมันหยุดความคิดได้ล้วก็คิดดูว่ า, าพระพุทธสอนเรื่อง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 สมมติเอาให้เห็นคนสุดจริตจะไปไหนมาไหนไม่ต้องแอบตีนใครจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เมื่อคนสุดจริตทาการทางานพูดคิดไม่เป็นคนโกหกไม่เป็นคนหลอกลวงคนโกหกคนหลอกลวงคนหากินทางทุจริตไม่อยากให้ใครเห็นแอบไปในทีมืดหมูเงินกับหมูนั่นเอง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 เมื่อละจุดไฟขึ้นแล้วความมืดหายไปอันความรู้แจ้งน้อยๆความรู้สึกน้อยๆที่เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็าตามเรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอความรู้สึกอันนี้แหละจะสะสมเอาไว้<โ>เมื่อความรู้สึกอันนี้มีมากขึ้นมากขึ้น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 เทแรกมันจําเป็นต้องรู้จํารู้จักตามครูบาอาจารย์หรือปู่ย่าตายายสอนให้นล้มาทําความรู้แจ้งความรู้จรจิงนี้ปรากฏเกิดขึ้นก่อนที่จะปรากฏเกิดขึ้นพระองค์ทําความรู้สึกนีนน้อยอันนี้สะสมขึ้นสะสมขึ้นเหมือนกันกลับที่ว่าจุดไฟไล่ความมืดออกไปได้